ในสิ่งทั้งหลายลาวเนี่ยกันมากแล้วก็เรื่องลาวนี้แหละเรื่องเนื้อเนื้อหนังหนังเนี่ยถึงกับต้องฆ่ากันตายก็มีถึงกับต้องเข็นฆ่ากันก็เพราะเหตุที่ไปยึดถือในเรื่องเนื้อหนังกันนี่แหละบางทีแย่งกันแทบตายคนนู้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาคนนี้ก็อ้างว่าอันนี้เป็นสิทธิของชั้นเหนือสี่สิทธิของฉั้นไม่ควรจะเอาของชั้นไปผ่โถของใครที่ไหน ผลสุดท้ายก็เน่าไปในที่สุดไม่มีของใครเลย <c oughs> ทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของและก็ถูกเป็นเจ้าของไม่มีของใครทางนั้นดัง <c oughs> นั้นหลักปฏิบัตินี้ท่านจึงสอนให้เราได้พิจารณาความจริงกันอย่างนี้ไว้บ้าง <c oughs> <c oughs> เพื่อขจัดโมหะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและเราก็จะได้เข้าใจโดยแจ่มชัดว่าสังขาร น, นี้คืออะไร เราะรปฏิบัติในการยะคตาสตินี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสรีระทั้งหมดอาการ32นี้ท่านเอามาสอนไว้ในนี้ทั้งหมดเนี่ยให้ท่านทั้งหลายทดลองปฏิบัติดูอีกสองหมวดซึ่งก็รู้สึกจะมากไปในวันอาทิตย์นี้พราโดยปกติแล้วเราก็บริกรรมกันเพียงทีระหมวดเพื่อให้เกิดประโยชน์ดูบ้างท่านทั้งหลายลองฝึกดูว่าจิตจะเกิดสมาธิขึ้นไหมในการปฏิบัติแบบนี้ นั่งเรานั่งทมที่ไหนก็นั่งบริกรรมอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เกษาโรมาหนะะ้าขาทันตาตะโจเนี่ยบริกรรมไปเรื่อยเป็นอนุโลมปฏิโลมแล้วสมาธิจิตก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดขึ้นในอันดับต่อมานี่เป็นวิธีปฏิบัติในกายยคตาสติอาจจะถูกกับบางท่านที่เป็นปัญญาจริตผู้ที่เป็นปัญญาจริตนั้นต้องศึกษาอย่างนี้ เพรฉะนั้นเรื่องการเรียนสรีระวิทยาในทางโลกกับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายต่างกันในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านให้รู้สภาวะธรรมและความจริงของสิ่งนั้นด้วยปัญญา <c oughs> เพื่อที่จะถอนกิเลสหรืออุปาทานคือความยึดถือในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมุ่งความ <c oughs> บริสุทธิ์ทางจิตใจเป็นที่ตั้ง แต่เราเรียนทางโลกนั้นเราเรียนมุ่งทางอาชีพเป็นที่ตั้งเรียนให้รู้เพื่อไปประกอบหน้าที่ก็มีเช่นอย่างหมอต้องเรียนถึงเรื่องสรีระต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อให้รู้บางทีเรียนอวัยวะคนไม่ได้ก็ต้องไปหาอวัยวะหาปลาฉลามมามาผ่ามาตัดดูว่ามีอะไรอยู่ตรงไหน <c oughs> เพื่อให้รู้จักดัง <c> น <oughs> ั้นทั้งหลายที่ได้อุทิศ ร, ร่างกายเพื่อการศึกษา แก่แพทย์จึงนับว่าได้บำเพ็ญประโยชน์ได้ทำบุญทางหนึ่งถ้าหากว่าแพทย์ได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวนี้และก็ปฏิบัติธรรมะด้วยเราจะได้แพทย์ที่ดีไว้ในโลกมากมายอาจจะได้แพทย์ที่เป็นโสดาบันอาจจะได้แพทย์ที่เป็นพระสกทาทาคามีซึ่งจะทำหน้าที่สงเคราะห์มนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ถ้าหากว่าได้ศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาบ้างเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีละโดยเฉพาะแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติในข้อนี้อาทิตย์นีตามาขอมรรยายเพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะฟันเ ฟ, ฟือเพราะการปฏิบัตินันเนี่ยต้องทําเป็นเป็นขั้นๆคิดว่าในรอบเจ็วันที่จะถึงข้างหน้านี้คงจะได้ทดลองปฏิบัติดูและตามาจะได้บรรยาย ห, หมวดต่อไปอีก วันนี้ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้จำได้ว่าการบรรยายพระวิสุทธิมัตสกครั้งที่แล้วกำลังบรรยายถึงกายยคตาสติแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะต่างๆของอวัยวะที่มีอยู่ในกายของเราเพราะว่ากายยัคตาสตินี้เราจะเจริญได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้น อยู่ตรงที่ว่าเรารู้จักตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนเพราะโดยปกติแล้วคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นเรามีโอกาสที่จะได้ศึกษาคนควาถึงเรื่องตัวของเราจริงๆน้อยที่สุดหรือสนใจกับตัวเราเองเนี่ยน้อยที่สุดกว่าสนใจในเรื่องอื่นๆ เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้มักจะสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องตัวของเราเพราะฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ครอบงำชีวิตของเราอยู่จึงมีมากขึ้นทุกๆวันแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะปลดเรื่องทุกข์เช่นนี้ให้แก่เราได้เพราะาเรื่องของความทุกข์นั้นเป็นเรื่อง ประจําชีวิตที่เจ้าของชีวิตทุกคนจะต้องปลดเปรื่องกันเองใครๆก็ช่วยเหลือเราไม่ได้ทั้งนั้นแม้เราจะไปสนใจในเรื่องของคนอื่นมากน้อยเพียงใดเราก็คงจะไม่มีโอกาสไปช่วยเปื่องทุกข์ให้แก่คนอื่นเขาด้วยบางครั้งเราอาจจะไปช่วยทับผมให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์หนักขึ้นไปอีกก็มีเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจริญกายยกตาสตินี้ให้บังเกิดผล แต่ผู้เจริญจริงๆนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้เรานี้รู้จักตัวเราเองเสียก่อนเพราะากายคตาสตินั้นเป็นเรื่องในตัวเรา <c oughs> เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ท่านได้ให้เราพิจารณาถึงส่วนต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดที่เป็นอาการสามสิบสองหรือที่เรียกว่าโกฏิถา เพราะเป็นอาการที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของเราขึ้นมาแล้วก็ส่วนประกอบของชีวิตนี้เราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรรูปร่างสันฐานมันเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้จักเพราะบางอย่างมันอยู่ภายในตัวเราเองเราก็มองไม่เห็นเช่นถ้าจะถามว่าในตัวเราเนี่ยไส้ของเรามีลักษณะอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่ามันมีลักษณะอย่างไร ถ้าถามว่าไส้ของเรา n ี้ยาวคนละกี่เมตรเราก็ตอบไม่ถูกว่าไส้ของเราเนี่ยยาวคนละกี่เมตรเรารู้แต่ว่าวันนี้รับประทานอาหารสองจานก็อิ่มหรือพรุ่งนี้รับประทานสามจานถึงจะอิ่มอะไรทำนองเนี้เรารู้จากกระตเพียงแค่นี้ <c oughs> แต่เราไม่รู้หรอกว่าในตัวเราเนี่มีอะไรกันอยู่บ้าง <c oughs> เพราะฉะนั้นในกายคตาสตินี้เราควรจะได้ศึกษาถึง ส่วนต่างๆที่เป็นอาการ32ที่เราจะใช้มาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานด้วยการบริกรรมเพื่อให้จิตเกิดความสงบนั้นเราจะต้องศึกษาเสีย ก, ก่อนว่าส่วนนั้นรูปร่างสันฐานเป็นอย่างไรหลักปฏิบัติที่ท่านได้วางไว้ในพระวิสุทธิทมรรคนี้ท่านก็วางไว้อย่างนั้นเมื่อท่านได้สอนว่าลักษณะต่างๆที่มีอยู่ในกายเรานี้มีอะไรบ้าง แล้วท่านก็สอนให้เราหยิบยกเอาสิ่งนั้นนะมาเป็นอารมณ์พิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายนี่อีกครั้งหนึ่งอัตมาจาได้ว่าเมื่อครั้งที่แล้วได้พูดถึงเอาอาการ32ถึงข้อที่15คือลักษณะของปอดวันนี้จะได้เริ่มถึงข้อ16เป็นต้นไปคือไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็ไปถึงมันสมอง ดีสเลตหนองเลือดที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนท่านทั้งหลายที่ศึกษาถึงความจริงของร่างกายแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจจนกระทั่งรับประทานอาหารกันไม่ลงความจริงก็เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเพราะคําว่ากายะสับเนี่ยหมายถึงความเป็นปฏิกูลหมายถึงความไม่สะอาด แต่ทั้งๆที่มันไม่สะอาดทั้งๆที่มันน่ารังเกียจเราทุกคนก็ไม่เคยรังเกียจตัวเราไม่เคยชิงชังตัวเราเรายังคงรักตัวเราเองอยู่เสมอซึ่งบางครั้งก็รักมากจนกระทั่งเป็นทุกข์ก็มีเพราะฉะนั้นแม้ว่าความจริงมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ต้องรับว่าความจริงนั้นต้องเป็นความจริงอยู่เสมอเพราะว่าธรรมะนี้เป็นแต่เรื่องของความจริงทั้งนั้น เรื่องไม่จริงเราไม่นำมาศึกษากันและสิ่งที่ไม่จริงเราก็ไม่เรียวกว่าเป็นธรรมะธรรมะต้องเป็นของจริงแล้วก็ต้องเป็นสัจธรรมการศึกษาในกายสตานายกายคตาสตินี้เราศึกษาในเรื่องจริงในเรื่องที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจะได้บรรยายถึงลักษณะเหล่านี้เสร็ก่อนครั้งที่แล้วได้พูดถึงอาการที่ห้าคือปอด วันนี้จะพูดถึงลักษณะของไส้ใหญ่คือถ้าพูดถึงเรื่องของไส้ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจหมายถึงเส้นที่เป็นขดๆอยู่ภายในตัวของเราเราเรียกกันว่าไส้ไส้เนี่ยถ้าจะถามว่ามันขดอยู่ในตัวเราเนี่ยกี่รอบเราก็ตอบไม่ถูกว่ามันขดกี่รอบก็ไม่รู้แต่ว่ายาวมาก พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าไส้ที่อยู่ในตัวคนเนี่ยมีอยู่ยี่สิบเอ็ดรอบที่ขดๆเนี่ยมีอยู่ยี่สิบเอ็ดขดด้วยกันรวมกันอยู่ในกระเพาะ อ, อาหารเนี่ย <c oughs> แล้วก็สําหรับของผู้ชายกับของผู้หญิงนี่ไส้ยาวไม่เท่ากันผู้ชายไส้ยาวกว่าไส้ผู้หญิงไส้ผู้ชายนี่ท่านบอกว่ายาวถึงสามสิบสองซอก สามสิบสองอกนี่หลายวาสี่แปดสามสิบสองแปดวาคนหนึ่งผู้ชายมีไส้ ย, ยาวตั้งแปดวาไม่ใช่ไม่ใช่สั้นๆเลยแต่ละคนเนี่ยแล้วก็สำหรับของผู้หญิงนั้นยาวยี่สิบแปดซอกผู้หญิงยาวเจ็ดวาคิดเป็นวาแล้วเจ็ดวาเจ็ดสี่ยี่สิบแปดพอดี แสดงให้เห็นว่าไส้ของผู้ชายยาวกว่าผู้หญิงสี่อกยาวกว่าหนึ่งวาเพราะฉะนั้นไม่เป็นเรื่องแปลกที่ผู้ชายรับประทานอาหารจุกวก่าผู้หญิงเพราะว่าไส้ยาวกว่ากันนี่เป็นลักษณะของไส้สำหรับไส้เหล่านี้ท่านบอกว่าไส้ใหญ่นี่นี่เฉพาะไส้ใหญ่นะไม่เกี่ยวกับไส้เล็กไส้ใหญ่เนี่ยมีสีขาวเหมือนสีปูนขาว ที่ทําได้กรวดถ้าโดยสันฐานถ้าบอกว่าสันฐานเนี่ยเหมือนกับงูที่ตัดศีรษะทิ้งแล้วตัวงูที่ตัดศีรษะทิ้งแล้วแล้วก็มาขดกันกลมๆนะเหมือนกับลักษณะของไส้เนี่ยโดยสันฐานแล้วก็ <c oughs> เหมือนกับเราเอางูที่ตัดศีรษะแล้วเนี่ยวางไว้ในรางเลือดวางอยู่ในรางเลือดก็เพราะว่าไส้ของเราที่อยู่ในตัวเราเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางเลือดหนอง มีเลือดห่อหุ้มอยู่นี่เป็นลักษณะตั้งอยู่ภายในสรีระท่านบอกว่าเบื้องบนเนี่ยตั้งแต่ลำคอเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงทวารหนักเป็นเรื่องของลำไส้ทั้งหมดเลยเราใส่กันอยู่นี่แหละกี่ปีกี่ปีก็ใส่กันอยู่แค่เนี้ยไม่เต็มสักที คนหนึ่งคนหนึ่งเราใส่ข้าวไม่รู้กี่เกวียนกว่าจะโตขึ้นมาได้ก็อยู่ในเรื่องราวนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของไส้ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนที่เรียกว่าไส้ใหญ่แล้วก็ทุกคนก็มีไส้อยู่อย่างนี้ทั้งนั้นแต่ว่าเราเนี่ยปกปิดเอาไว้อยู่ภายในมองไม่เห็นทีนี้ไส้น้อยไส้น้อยนี้ได้แก่ไส้ที่พันธุขนม พันในฐานขนดของไส้ใหญ่อีกทีหนึ่งไส้ที่พันในฐานขนดของไส้ใหญ่เนี่ยเรียกว่าไส้น้อย <c oughs> ก็คือเป็นไส้เล็กท่านบอกว่าไส้น้อยเนี่ยมีสีขาวเหมือนกับรากจงกล น, นีสีขาวขาวมือนากจงกล น, นีโดยสันฐานเหมือนกับรากจงกล น, นีแล้วก็เกิดขึ้นทันอยู่กับไส้ใหญ่เนี่ยอยู่ตลอดเวลา สำหรับไส้เล็กนี้ตั้งอยู่ในระหว่างขนดไส้ใหญ่21ขนด21ขดแต่ว่าประดุดเชือกน้อยอันร้อยประสานวงเชือกใหญ่อีกทีนึงเป็นเรื่องของไส้เล็กนี่เป็นเรื่องของไส้ที่เรียกว่าไส้ใหญ่กับไส้น้อยทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยเรากําลังบริกรรมเอาไส้เป็นอารมณ์ <c oughs> เราก็ต้องดูไส้ ที่มีอยู่ในรูปที่เราได้ศึกษากายวิภาคอยู่หรือมิฉะนั้นก็ท่านทัน้งหลายที่ชอบรับประทานตือหวนก็นึกถึงตือหวนมากๆก็ได้นคล้ายๆกันก็บไส้คนไส้คนกับไส้หมูนะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็อาการที่สิบแปดลักษณะของอาหารใหม่เอคําว่าอาหารใหม่นี้ อาหารในที่นี้หมายถึงก็ว่าลิงการอาหารหรืออาหารที่เราบริโภคกันอยู่เช่นอย่างข้าวผลไม้ผักปลาต่างๆที่เราบริโภคกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยเรียกว่าอาหารอาหารเหล่านี้ที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายหรือหล่อเลี้ยงรูปปั้นเนี่ยให้เจริญเติบโตอยู่โดยไปถูกย่อยในกระเพาะอาหารในอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงกลั่นเอาโอชาไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโ ต, ตขึ้นอาหารใหม่คือของที่เราริมเข้าไปใหม่ๆเช่นอย่างอาหารที่เรารับประทานเมนื่อตองตลงวันนี่เราเรียกกันว่าอาหารใหม่แล้วก็ของเหล่านี้มันจะกลายเป็นของเก่าก็ต่อเมื่อไปพักอยู่ในกระเพาะ อ, อาหารประมาณสัก12ชั่วโมงมันก็เป็นอาหารเก่าไปแล้ว อาหารใหม่เหล่านี้ก็แปลสภาพเป็นอาหารเก่า <c oughs> อาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกๆวันนี้ที่เรากลืนกินกันอยู่นี้มันจะไปอยู่ภายในร่างกายของเราหรือายภายในท้องซึ่งเป็นอวัยวะที่พองได้ยุบได้ท้องเนี่ยพองได้ยุบได้ แล้วก็เวลาพองก็คือเวลาที่เราหายใจเข้าไปเวลายุบก็คือเวลาที่เราหายใจออกท้องมันจะพองยุบพองยุบอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาคนที่จะเห็นท้องพองยุบอยู่เสมอคือคนที่เจรเดินวิปัสสนากรรมาฐานประเภทกําหนดยุบหนอพองหนอเจ้าคุณด้าจรสิทธิมุนีท่านสอนอยู่เสมอแหละถ้าหากว่าเรากําหนดยุบหนอพองหนอแล้วก็เห็นอาการท้องของท้องเห็นอาการยุบของท้องเนี่ยได้ชัดเจน ถ้าเราไม่ได้กําหนดกรรมาฐานแล้วเราจะไม่เห็นอาการพองกับอาการยุบชัดเจนจะเห็นอยู่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ชัดเช่นรู้ว่าท้องพองก็มาตอนเชา้าบริโภคอาหารลงไปรู้ว่าท้องยุบก็คือตอนเสาสายหน่อยฉันิวแล้วท้องกิ่วแล้วไปยุบตอนนั้นอันนั้นยังรู้ช้ามากถ้าจะรู้ให้เร็วรู้ให้ทันต่อสภาวะธรรมแล้วแล้วก็จะต้องรู้ทุกๆขณะจิตขณะลมหายใจเข้าหายใจออก เราจึงจะรู้ว่าอ๋อนี่ท้องยุบท้องพองแล้วเนี่ยเมื่อหายใจเข้าไปท้องก็พองออกมาหายใจออกท้องก็ยุบลงไปการพิจารณาอาการของท้องที่พองที่ยุบอย่างเนี้จะทําให้เราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายได้ชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็จะเห็นความเสื่อมความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปหรือจะเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของรูปที่มันมีอยู่ทุกๆขณะจิต สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันก็ดับไปสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไปในที่สุดในอาการของทองที่เรามีอยู่โดยเรากำหนดอยู่อย่างนี้ก็เป็นสภาวธรรมอวัยวะที่เรียกกันว่าทองเนี่ยท่านอธิบายในวิสุทธิมากกว่ามันเป็นลักษณะของโพรงที่อยู่ภายในซึ่งภายนอกเกลี้ยงแต่ภายในเนี่ย เปลือเปื่อนไปหมดตาบอกว่าเหมือนกันกันกนกบผ้าที่หอ่อกากเนื้อหรือเช่นเดียวกับดอกลำโพงมีลักษณะคล้ายๆกันข้างในเปลือข้างนอกเนี่ยเกลี้ยงเกลาจะไม่เปลดอกยังไงได้เดี๋ยวเราก็เติมอะไรต่ออะไรลงไปก็ไม่รู้เดี๋ยวก็แกงไก่บ้างเดี๋ยวก็แกงหมูบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่ลงไปมันก็เปลดออยู่ในท้องอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วก็ภายใน ภายในกระเพาะอาหารนี้ท่านอธิบายว่าเป็นที่อาศัยอยู่ของหมูนอนหมูนอนต่างๆมันจะอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่32คลอกเป็นคลอกเลยต้องมีอยู่32คลอกอยู่ภายในกระเพาะอาหารของเราแล้วก็แต่แลคะคลอกแต่แลคะคลอกเนี่ยมีชื่อทั้งนั้นในวิสุทธิมัทท่านกล่าวไว้ว่า เ, เช่นคล อ, อกหนึ่งเรียกว่าตักโกตากาชื่อของหมูหนอนนะตักโกตากาปักโกตาการนี่ท่านบอกว่าได้แก่นหนอนที่มีปากเหมือนกับนกกระลาหัวขวานปากของหนอนประเภท น, นี้คล้ายๆกับนกกระลาหัวขวานข้อที่สองเรียกว่าการทุบปาสกาลักษณะหนอนที่มีรูปร่างเหมือนกับไส้เดือน คือคงจะเป็นพระยาติไสเดือนนี่เองอะที่เรารู้จักกันทั่วไปเนี่ยนี่อีกคลอกหนึ่งแล้วก็ตาละหังกาสบอหนอนเหมือนกับเสียเส้ยนตาลเสี้ยนต้นตาลมีลักษณะคล้ายๆกันมูที่สี่สูจิมุขกาแปลว่านอนที่มีปากแหลมเหมือนเข็มเรียกว่านอนปากเข็มนี่คลอกหนึ่งแล้วก็อีกคลอกหนึ่งคือ ปัตตันตูสุตกาถ้าบอกว่านอนที่มีตัวคล้ายกับเส้นได้ที่ชายผ้าซึ่งอันขวักไข่เที่ยวผ่านไปก็ผ่านมา <Okay. S 1> ก็คงจะได้แก่ประเภทพยาศเส้นได้ที่เราใช้คำพยาศเส้นได้นี่เองอะคือตัวมันเล็กเหมือนเส้นได้ mm. เส้นได้กับเส้นผ้าก็อันเดียวกันเพราะผ้าก็เกิดมาจากได้ เอาเส้นได้ไปทอก็กลายเป็นฝืนผ้าขึ้นเนี่ยเป็นเป็นสภาพของหนอนที่มีอยู่ในท้องของเราในวิสุทธิมรรคนี้ท่านได้อธิบายว่าเวลาเราไม่ได้บริโภคอาหารลงไปภายในนอนพวกนี้จะเพ่นพ่านกันหมดอยู่ในกระเพาะอาหารเราเนี่ยแล้วก็เวลาเราหิวหิวบริโภคข้าวก็ดีน้ำก็ดีลงไปสู่ภายใน นอนพวกเนี้ยมันจะกระโดดโลดเต้นร้องระงมไปหมดแทบจะหัวใจแตกสลายทีเดียวผมบอกเสียงนอนที่มันร้องระงมกันเนี่ยพอเราบริโภคไปคําแรกดื่มลงไปถ้วยแรกเนี่ยมันจะร้องระงมกันอยู่หมดในท้องแล้วก็แย่งกันกินคําที่หนึ่งคําที่สองคำที่สามนี่ไม่ใช่เป็นของเราหรอกที่เราบริโภคอาหารเนี่ยนอนกินหมดมันจะอ้าปากคอยตลอนเชื่ พอเราบริโภคไปสักสามคำเนี่ยมันกินเกลี้ยงเลยสามคำไม่มีเหลือจะเหลือบำรุงตัวเราเองจริงๆก็น่าจะเป็นคำที่สี่เป็นต้นไปคือต่อเมื่อนอนอิ่มแล้วเราจึงจะอิ่มเราเีด้เข้าใจว่าแม้เราบริโภคอิ่มแต่ความจริงเปล่าหรอกนอนอิ่มก่อนเราซะอีกแล้วก็เราถึงจะอิ่มที่หลังอีกทีหนึง่งเนี่ยความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ตรัสว่าทองของเราทุกคนเนี่ย เป็นเรือนเกิดเรือนตายเป็นโรงพยาบาลเป็นเวชกุดีเป็นป่าช้าของหมูนอนเหล่านี้อุ ป, ปมาเหมือนกับท้องของเราเนี่ยเป็นบ่อน้ำคลาบ่อหนึง่งซึ่งเราจะทิ้งเศษอาหารอะไรต่ออะไรลงไปในบ่อน้ำคลาเนี่ยมันก็จะหมักหมมหมักหมมอยู่ในนี้และผลสุดท้ายก็เกิดเป็นหมูนอนชอนชัยชั้นใดก็ชั้นนั้น บ่อน้ํำพล้าข้างนอกสกปรกอย่างไรท้องของคนเราทุกคนก็สกปรกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการล้างท้องบ่อยๆเหมือนกับเราล้างบ่อบ่อยๆบ่อไหนถ้าล้างบ่อยๆบ่อนั้นก็สะอาดท้องของใครถ้าล้างบ่อยๆท้องของคนนั้นก็เป็นท้องที่สะอาดต้องมันชําระล้างกันอยู่เสมอๆเพราะว่าอาหารที่เราบริโภคกันลงไปทุกวันทุกวันนี่มันไม่ใช่ของสะอาด มาสะอาดจริงอ่ะสะอาดจากเชื้อโรคต่างๆแต่โดยสภาพของอาหารแล้วมันไม่ใช่เป็นของสะอาดไม่ใช่เป็นของสะอาดเลยเพอเรารับประทานลงไปปากก็เปื่อนลิ้นก็เปื่อนฟันก็เปื่อนเราต้องไปล้างปากต้องไปแปลงฟันต้องไปทำความสะอาดปากแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นของสะอาดเป็นของที่โสโครกทั้งนั้นแต่เราเไม่ได้พิจารณากันเราก็เลยเกิดความมัวเมา ซึ่งบางทีก็มัวเมาในอาหารที่เราบริโภคกันอยู่หรือบางทีก็หลงไหลในรสของอาหารหรือพิถีพิถันในอาหารจนเกินไปแม้แต่ผักจะรับประทานลงไปก็ต้องทำเป็นรูปไอ้นั่นรูปไอน้นี่อะไรแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผลสุดท้ายก็เหมือนๆกันหมดพอใส่ปากแล้วก็กลายเป็นของที่ไม่สะอาดเราก็พิถีพิถันกันไปตามเรื่องคล้ายๆกับหางานทาอย่างนั้นแหละว่าเกิดไป จะรับประทานเช่นอย่างที่ว่าจะรับประทานแต่งกวาตั้งหน่อยแทนที่จะรับประทานง่ายๆเราก็ต้องเอาแตงกวามาคั้นซะก่อนทําเป็นรูปดอกมงดอกไม้อะไรสวยๆงามๆและถึงจะรับประทานลงไปความจริงไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเราบริโภคอย่างคนที่มีปัญญาไม่ใช่บริโภคอย่างคนที่มีโมหะก็ไม่จําเป็นต้องทําพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนให้เราบริโภคอาหารอย่างคนที่มีปัญญา เพราะฉะนั้นก่อนบริโภคทุกครั้งเนี่ยพระสงฆ์จะต้องพิจารณาก่อนพิจารณาอาหารเนี่ยให้เป็นของปฏิกูลว่าเรานี้ไม่ใช่บริโภคอาหารเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อความติดใจในรสของอาหารแต่อาหารที่เราบริโภคลงไปทุกวันเนี่ยเพื่อที่จะบริหารร่างกายให้เป็นไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่และการดํารงอยู่ของชีวิตนั้นก็ดํารงอยู่เพื่อบําเพ็ญสมณธรรม หรือเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ตัวเราเราจึงบริโภคอาหารลงไปทุกๆวันเพราะถ้าหากว่าไม่บริโภคอาหารแล้วชีวิตจะดำรงอยู่เพื่อความดีนั้นก็ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องตายเปน็นิธิสุดนี่เป็นเรื่องของการกินอาหารเพราะฉะนั้นลักษณะของอาหารใหม่ที่เราบริโภคกันอยู่ทุกๆวันแล้วก็มันก็จะกลั่นกรองไปเป็นเลือดเป็นเนื้ อ, เ ป, เ, อเป็นชีวิต เป็นกําลังเป็นสติปัญญาอะไรต่างๆนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้อาหารที่บริโภคเนี่ยให้เป็นประโยชน์คนที่รู้จักบริหารกายดีแม้จะไม่ได้บริโภคอาหารดีร่างกายก็แข็งแรงแต่คนที่บริโภคอาหารดีๆแต่ผู้นั้นไม่รู้จักการบริหารร่างกายอาหารดีก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้น อาหารเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะรู้จักใช้แค่ไหนบางคนบริโภคอาหารดีอาหารที่อิ่มหมีพีมันทุกมื้อแต่ไม่ได้ใช้อาหารเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์อาหารนั้นก็ไม่ได้เป็นปัจจัยแห่งปัญญาหรือแห่งปฏิภาณแต่ถ้าผู้ใดรู้จักใช้อาหารที่กลืนลงไปภายในอาหารนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาทําให้มีปฏิภาณดีโดยที่ไม่เกี่ยวกับอาหารดีหรืออาหารเร็ว จริงอยู่ว่าตามหลักของโภชนาการนั้นนักโภชนาการทั้งหลายก็จะพยายามท่ามสอนว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราควรกินไอ้นั่นเท่านั้นกลมกินไอ้นีเท่านี้กลมเพื่อจะได้พอเพียงต่อร่างกายจนกระทั่งบางคนกินจนอ้วนเกือบจะเท่าหมูอยู่แล้วแต่ก็ปรับกลายเรื่องเป็นเรื่องของความทุกข์ขึ้นมาในภายหลังเพราะว่าอ้วนมากเข้าเดี๋ยวก็เป็นโรคเบาหวาน เดี๋ยวก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงเดี๋ยวก็ไขมันตีบตันทําท่าหัวใจจะหยุดเต้นตายอะไรทํานองเนี้ผลสุดท้ายก็กลายเป็นโทษเรื่องราวนี้ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น, นั้นท่านถือว่าเป็นเรื่องปัจจัยเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อาหารนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเพิ่มกิเลสและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลบกิเลสไม่ใช่หมายความว่าคนที่อดอาหารอย่างพระ จ, จะบําเพนตะบะทำอดอาหารเจ็ดวัน ก็ไม่ใช่หมายความว่าพระนั้นกิเลสจะเหือดแห้งไปเพราะไม่บริโภคอะไรเลยถ้าหากว่าอาหารเป็นเหตุทำให้กิเลสของคนลดลงหรือกิเลสหมดไปแล้วพระพุทธองค์ก็คงจะบรรลุมรรคผลตอนบําเพ็ญทุกรากิริยาแล้วเพราะตอนบาเพ็ญทุกรากิริยานั้นไม่ได้เสวยพระกรยอาหารเลยจนกระทั่งรากของขนและผมเนี่ยเน่าหลุกล่วงไปไม่สามารถที่จะทรงระวรกายไว้ได้ แต่ก็ยังไม่ใช่เป็นทางแห่งความตรัสรู้ไม่ใช่เป็นทางที่จะทำลายกิเลสให้หมดไปจึงได้เวียนมาเพื่อเสวยพระกยาหารใหม่แล้วจึงบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อบรุถึงสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยสมัยหลังนี้สาวกยังมีโมหะมากเข้าใจว่าอาหารเป็นทางลดกิเลสบางทเีเราเห็นพระท่านบริโภคอาหารวันละมื้อก็เข้าใจว่าแม้พระองค์เรียกเคร่งครัดเหลือเกิน ฉันอาหารวันละมือเดียวเท่านั้นน่ะหน้าเลื่อมสายแท้อาตมาเองตอนบริโภคอาหารวันละมือโยบอกแหมหน้าเลื่อมสายจริงบริโภคอาหารวันละมือตมาบอกว่าอาหารไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความเลื่อมใสายที่บริโภควันละมือเนี่ยไม่ใช่เคร่งเครื่องอะไรหรอกเพราะว่าตื่นสายมื้อเช้าฉันไม่ทันเลยต้องรวบยอดไปฉันมื้อเพลยก็บอกตรงๆไม่ใช่เคร่งเครื่องอะไรหรอกโยบอกแหมเคร่งนะท่านฉันมื้อเดียวไม่ใช่เคร่ง นอนตื่นสายเพราะตื่นมาก็เกือบแปดโมงแล้วอย่างเนี้ยเพราะว่านอนดึกใช้เวลานอนกลางคืนดึกก็ทําให้เวลานอนน้อยก็เลยตื่นสายกว่าคนอื่นเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ฉันกันหมดแล้วเราก็เลยต้องอดไปฉันเทนไม่ใช่เพราะความขลังหรือเพราะว่าเคร่งคลัดแต่อย่างไดอย่างหนึ่งเพราะว่ากิเลสมันจะลดหายไปไม่ใช่อยู่ที่ลดอาหารถ้าลดอาหารได้กิเลสลดก็ควรจะอดอาหารกันทุกๆคน และทุกคนก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันโดยไม่ต้องบริโภคอาหารเนี่ยเรายังเข้าใจกันผิดมากในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้าใจไปด้วยว่าเรื่องอาหารนั้นน่ะเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดำรงอยู่แล้วก็ร่างกายเนี่ยจะดำรงอยู่เพื่อความดีหรือความชั่วนั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลจะอยู่เพื่อความโง่หรือความฉลาดก็ อ, อยู่ที่แต่ละบุคคลเนี่ยจะฝึกฝนตัวเองว่า เรามุ่งสแสวงหาปัญญาหรือมุ่งสแสวงหาความโง่เขลาก็อยู่ที่ทุกคนจะฝึกฝนกันถ้าหากวา่าเรารู้จักฝึกฝนกันแล้วอาหารก็เป็นปัจจัยแห่งปัญญาคนที่บริโภคอาหารลงไปก็เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นไม่เป็นคนโง่คนเขลาเช่นอย่างเราใช้ชีวิตด้วยการศึกษาด้วยการมันสดับตรับฟังด้วยการอบรมจิตของเราให้เจริญอยู่ก็เป็นไปเพื่อความฉลาดเนี่ยเป็นเรื่องของอาหาร โดยเฉพาะที่เราบริโภคกันอยู่แล้วก็เป็นอาหารใหม่ประภาพของอาหารใหม่เนี่ยท่านบอกว่าในขณะที่เรากลืนกินลงไปสู่ภายในเช่นพอตักอาหารใส่ปากฟันจะทำหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งคือเคี้ยวสมองอฟันของคนที่เคี้ยวอาหารเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสากกับครก สากกับครกเนี่ยมันทําให้อาหารละเอียดชั้นใดฟันของเราก็ฉันนั้นฟันชั้นล่างเหมือนครกฟันชั้นบนเหมือนสากลิ้นทําหน้าที่ตวัดอาหารป้อนให้ฟันเนเคี้ยวเมือกับคนเอามือคอยคุยข้าวหรืออะไรก็ตามให้สากเนี่ยโขลกไม่เต็มที่ถ้าคนไหนฟันไม่ค่อยดีถึงจะตะวัดยังไงก็ไม่ไหวต้องกลอมแกมลมกลมแกลมแล้วต ก, ก, กลืนนี่เป็นเรื่องของคนแก่ That's...